ชีวิตในอดีตชาติอาจทําให้ละกิเลสได้เป็นอันมากก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในพบของมนุษย์นี้ต่างก็ได้เป็นอะไรต่อมิอะไรมากมายนับชนิดนับชาติไม่ได้เป็นกันทั้งเทวดาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กรวมทั้งมนุษย์ชายหญิงคนมีคนจนคนสวยคนไม่สวย คนพิการคนไม่พิการอายุสั้นอายุยาวขาวดำไทยจีนแขกฝรั่งต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวทยิ่งหนักและอาจจะสละละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากเห็นสุนัขที่เหอ่สักตัวแล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่ง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 และท่านจะใช้วาจาไพเราะอ่อนโยนยิ่งนักเป็นที่จเจริญหูจเจริญใจช้างก็จะฟังท่านโดยดีเมื่อท่านขอให้หลีกก็จะหลีกขอให้หลบก็จะหลบขอให้ไปให้พ้นก็จะไปจนพ้นท่านจะทําได้เช่นนี้โดยที่องค์อื่นทําไม่ได้เพราะอะไรน่าจะตั้งปัญหานี้ขึ้นและผู้ไม่ปฏิเสธว่า